สัมภัสยองแขกยามวิกาลเรื่องนี้เป็นเรื่องยิ่คุณพันศีได้แบ่งปันประสบการณ์เข้ามาอีกครั้งเป็นเรื่องราวของคุณแม่สมัยที่เป็นนักศึกษาอยู่และต้องเดินทางไปอยู่กับชาวบ้านในบริเวณใกล้กับป่าเพื่อศึกษาและเรียนรู้ แต่กลับต้องเจอกับบางสิ่งที่ไม่คาดคิดส่วนเรื่องราวที่คุณพันศรีได้แบ่งปันเข้ามาก่อนหน้านี้แม้จะไม่ได้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกันแต่ถ้าหากใครที่ยังไม่เคยได้รับฟังก็สามารถย้อนกลับไปฟังเรื่องคืนวันรับน้องใหม่และผีห่วงเตียงจากเรื่องสั้นสยองขวัญ17และ18ได้ต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวที่คุณพันศี ได้เล่าให้กับแอดมินฟังซึ่งได้เลาว่าสวัสดีเพื่อนๆและพี่น้องชาวสัมผัสสยองทุกคนวันนี้เราจะมาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณแม่อีกครั้งหลังจากที่เราได้แบ่งปันเรื่องราวไปแล้วสองเรื่องเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับแม่ของเราเองเมื่อตอนที่แม่เป็นนักศึกษาคณะวิทยศาสตร์แม่เคยมีโอกาสเดินทางไปอยู่กับชาวบ้าน เพื่อศึกษาต้นไม้ในป่าตอนกลางวันถ้ากลุ่มของแม่ไม่ได้เข้าเรียนกับอาจารย์แม่กับเพื่อนเพื่อนก็จะไปช่วยงานชาวบ้านในป่าบางทีก็ไปเก็บเห็ดพาะหรือบางทีก็ตามพรานเข้าไปในป่าจึงได้พบเจอต้นไม้แปลกๆ แ, และมีกิจกรรมให้ทำมากมายพอตกเย็นกลุ่มของแม่ก็จะแยกย้ายกันไปนอนกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถบนั้น บ้านที่แม่กับเพื่อนผู้หญิงอีกคนไปอาศัยนอนนั้นเป็นบ้านสองชั้นของตากับยายคู่หนึ่งซึ่งตากับยายจะนอนที่ชั้นล่างเป็นประจำเพราะเจ็บหัวเข่าจนขึ้นบันไดไม่ไหวแม่กับเพื่อนจึงได้ไปนอนที่ชั้นบนของบ้านหลังจากที่ช่วยกันจัดแจงที่นอนและกางมุงโดยผูกเชือกไว้กับเสาของบ้านทั้งสี่มุมเสร็จแล้ว แม่กับเพื่อนก็พากันเข้านอนเวลาผ่านไปจนดึกแต่แม่ก็ยังไม่หลับเพราะคงรู้สึกแปลกทีจึงคมตานอนไม่ได้สักทีพอแม่หันไปมองเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆก็เห็นว่าเพื่อนหลับสนิทแล้วแม่จึงมองดูรอบๆห้องไปเรื่อยเปื่อยแล้วสายตาก็ไปสะดุดที่เสาบ้านต้นหนึ่งซึ่งแม่กับเพื่อนผูกเชือกแควนมุงเอาไว้ แม่เห็นเงาดาๆรูปร่างคล้ายคนตัวใหญ่มากเงานั้นเหมือนกับกำลังยืนหันมาที่แม่ตอนแรกแม่ก็แปลกใจไม่คิดว่าจะมีใครเข้าบ้านแล้วขึ้นมาชั้นสองได้เพราะตอนหัวคำ่ำแม่กับเพื่อนช่วยตาเจ้าของบ้านปิดประตูวไว้อย่างแน่นหนาทำให้แม่คิดว่าเงาที่เห็นนี้ไม่น่าจะเป็นร่างของคน แต่แม่ก็ไม่ได้ตกใจกลัวเพราะแม่เป็นคนมีสัมผัสพิเศษและมักจะเห็นวิญญาณตามที่ต่างๆอยู่บ่อยครั้งแม่พยายามเพ่งมองไปที่เงาดำนั้นแล้วก็เห็นชัดขึ้นว่าเป็นร่างของผู้ชายใส่เสื้อมอฮอมแต่สิ่งที่ทำให้แม่ตกใจแม่จะเจอผีจนชินแล้วก็คือร่างนั้นไม่มีหัวร่างนั้นยืนนิ่ง หันมาทางแม่มองดูแล้วก็เป็นภาพที่น่ากลัวอยู่ไม่น้อยเมื่อเห็นว่าผีตนนั้นไม่มีท่าทีที่จะหลอกให้แม่กลัวแม่จึงพูดเบาๆว่าขอนอนก่อนเดี๋ยวจะทำบุญไปให้พ่อแม่พูดจบร่างนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาของแม่เวลานั้นก็ดึกมากแล้วแม่จึงหลับไปได้วยความง่วง วันต่อมาแม่ก็เล่าเหตุการณ์ระทึกขวัญเมื่อคืนให้กับยายและเพื่อนๆฟังตากับยายมีสีหน้าแปลกใจมากเพราะตั้งแต่อยู่บ้านหลังนี้มาทั้งสองก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรผิดปกติแต่พอได้ยินเรื่องที่แม่เล่าตากับยายก็เริ่มเป็นกังวลจึงไปเชิญหมอผีในหมู่บ้านมาทาพิธีอุทิศ ส, ส่วนกุศลและทำบุญบ้านครั้งใหญ่ แม่จึงถือโอกาสทำบุญให้กับผีหัวขาดตนนั้นตามที่ได้พูดไว้คืนต่อมาแม่กับเพื่อนก็ย้ายไปนอนบ้านอีกหลังหนึ่งของคนในหมู่บ้านเพราะถึงแม้จะทำบุญไปแล้วแต่เพื่อนของแม่ก็ยังไม่กล้านอนที่ชั้นสองของบ้านตากับยายอยู่ดีแล้วคืนนั้นเหตุการณ์ก็ปกติไม่มีผี ต, ตนไหนมาขอส่วนบุญอีก แม่กับเพื่อนจึงได้อาศัยนอนที่บ้านหลังนั้นตลอดระยะเวลาที่คณะของแม่ศึกษาต้นไม้ในหมู่บ้านจนเสร็จเพื่อนไม่นานมานี้เมื่อผมสอบเสร็จและเดินทางออกมาจากห้องสอบในวันสอบปลายภาควันสุดท้ายของชั้นปีที่สาม ผมก็เห็นแตกเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันหลายเดือนนั่งอยู่ที่ม้าหินอ่อนหน้าตึกเขานั่งมือหันหน้าไปทางสาระน้ำเหมือนกับกำลังคิดอะไรบางอย่างผมกับแตกเคยเจอกันบ่อยๆตอนปีหนึ่งช่วงที่มีการรับน้องคณะ น, นิเทศศาสตร์หลังจากนั้นก็ห่างๆกันไปเพราะพวกเราแยกกันไปเรียนคนละสาขาผมเรียนสาขาศิละปะ ก, การแสดง ส่วนแทกเรียนสาขาออกแบบสื่อมวลชนพวกเราได้เจอกันในบางวิชาแต่แตกก็เข้าเรียนบางไม่เข้าเรียนบางผมกับแตกก็เลยมีโอกาสได้เจอกันน้อยลงวันนี้เห็นแทกนั่งอยู่คนเดียวผมจึงเดินเข้าไปหาเพื่อทักทายแต่เหมือนแทกจะรู้ตัวเขาหันมาทางผมยิ้มและโบกมือให้พอผมเดินไปถึงมาหินอ่อน ก็พูดทักทายว่าเฮ้ย hey, เป็นไงบ้างวะไม่ได้เจอกันนานเลยแตกยิ้มแต่ไม่พูดอะไรผมจึงยิ้มตอบแล้วนั่งลงคางๆแตกหันมาพูดกับผมด้วยเสียงและสายตาที่เหนื่อยลา้าบอกว่ากูขอโทษที่เคยดูถูกมึงมาตลอดตอนนี้กูเข้าใจแล้วว่าความทุกข์ที่มึงได้รับมันเป็นยังไง ผมรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่จูจ่ๆแตกก็พูดถึงเรื่องที่ผ่านมานานมากแล้วอืมไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้กูไม่เก็บไปจำให้บันทอนความรู้สึกตัวเองหรอกผมตอบกลับไปแตกเหมือนจะโล่งใจที่ผมไม่ถือสาและยกโทษให้กับเขาเขาหันกลับไปมองที่สานามแล้วพูดด้วยเสียงที่เบาและช้าเหมือนคนอ่อนแรงว่า ชีวิตมันแปลกนะจะตายก็ตายแบบไม่มีปีมีคุยมาเตือนกันก่อนเสียเลยจำไว้นะว่าคนเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่มีใครรู้อยากทำอะไรก็รีบๆทําซะผมแปลกใจเมื่อได้ยินเพราะเมื่อก่อนแตกจะไม่คุยอะไรกับผมแบบนี้แล้วผมก็นั่งฟังแตกพูดเรื่องกรรมและค่าของชีวิต ไปอีกสักพักใหญ่จนผมจำไม่ได้แล้วว่าเขาพูดอะไรอีกบ้างแตกคงเห็นสีหน้าชงนของผมที่นั่งฟังแล้วมองแบบงงๆเขาก็เลยถามผมว่ามึงอยากรู้ใช่ไหมว่ากูเป็นอะไรผมพยักหน้ารับขณะที่รอฟังว่าแต็จะพูดอะไรต่อผมก็ได้ยินเสียงแจบเพื่อนอีกคน ตะโกนมาจากหน้าตึกว่าเฮ้ยมานั่งทำอะไรตรงนี้วะผมหันกลับไปตอบแจ๊บว่าเออหกกูสอบเสร็จแล้วเลยมานั่งคุยกันนิดหน่อยพอผมหันกลับไปหาแตกก็ต้องอุทานด้วยความตกใจเอา้าหายไปไหนของมันวะที่นั่งข้างผมมีแต่ความว่างเปล่าผมหันซ้ายหันขวาพยายามมองหาแตก จะว่าแต็กลุกออกไปก็ไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นแล้วแจ็บก็พูดขึ้นว่าเฮ้ย hey! กูเห็นมึงนั่งอยู่คนเดียวมาสักพักแล้วนึกว่าซ้อมบทละครผมคิดว่าแท็กอาจจะลุกออกไปโดยที่ผมไม่ทันได้สังเกตจึงตอบเออ อ, อ ก, กับแจ็บไปว่าเออกำลังซ้อมบทนิดหน่อยครอดีที่ผมเรียนสาขาศิลปะ ก, การแสดง การนั่งซ้อมบทคนเดียวจึงไม่แปลกอะไรจากนั้นผมก็คุยกับแจบได้อีกสักผักแล้วจึงขอตัวกลับไปที่ห้องพักวันรุ่งขึ้นผมก็ได้รู้ข่าวว่าแตกเสียชีวิตในห้องพักที่โรงแรมแถวแถวเขาใหญ่เขาเสียชีวิตมาสี่ห้าวันแล้วขณะที่มีคนไปพบศพของแตกห้องก็ถูกหลอกจากประตูด้านในภายในห้อง ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือทำร้ายร่างกายใดๆเจ้าหน้าที่ก็กำลังหาสาเหตุการตายที่เป็นปริศนาอยู่ผมตกใจกับข่าวการตายของแตกมาถ้าเขาตายมาแล้วสี่ห้าวันแล้วคนที่ผมนั่งคุยเมื่อวานตั้งนานสองนานนั้นคือใครผมเริ่มขนลุกขึ้นมาทันทีและเข้าใจในสิ่งที่แตกพูดเมื่อวานที่บอกว่า ชีวิตมันแปลกนะจะตายก็ตายแบบไม่มีปีมีคลุยมาเตือนกันก่อนเสียเลยนั่นคงจะเป็นวิญญาณของแตกมาบอกให้ผมใช้ชีวิตให้คุ้มค่านั่นเองเสียงเรียกที่ข้างหูพัดไปกินเหล้ากัน วันที่สามสิบกันยายนพศสองพันหเวลาประมาณตีหนึ่งพัดที่กำลังนอนหลับสบายก็สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงผู้ชายเรียกดังใกล้ๆหูพัดไปกินเหล้ากันพัดมองไปรอบๆห้องก็ไม่เห็นเจ้าของเสียงจึงคิดว่าคงหูฝาดไปเองเลยกลับไปนอนต่อหนึ่งชั่วโมงต่อมา พี่สาวของพัดก็โทรมาบอกว่าวิทยาดของพัดอยู่ที่โรงพยาบาลพอพัดถามกลับไปว่าวิทย์เป็นอะไรพี่สาวของพัดก็อั้มอึงเหมือนลำบากใจที่จะบอกแล้วก็พูดว่าให้ไปถามเก่งญาติอีกคนของพัดเอาอีกทีพอวางสายจากพี่สาวพัดก็ปลุกแตงแล้วเล่าว่าวิทย์อยู่โรงพยาบาล จากนั้นก็กดโทรศัพท์หาเก่งเพื่อสอบถามอาการของวิแล้วก็ได้รู้ว่าวิตดื่มเหล้าจนน็อกหมดสติตอนนี้อาการโครม่าอยู่ที่โรงพยาบาลยญาๆต่างเป็นห่วงกันมาพัดก็เลยบอกเก่งว่าพรุ่งนี้จะเข้าไปเยี่ยมวิต ท, ที่โรงพยาบาลหลังจากวางสายแล้วเก่งก็ส่งรูปภาพของวิตมาให้พัดดูเป็นภาพของวิท กำลังนอนใช้เครื่องช่วยหายใจบริเวณท้องของวิทย์เริ่มมีผื่นแดงพัดเห็นลาวรู้สึกใจหายเพราะวิทย์เป็นคนนิสัยดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นมากแต่เสียตรงที่วิทย์ชอบดื่มเหล้าเบียร์เป็นประจำเกือบทุกวันเมื่อพัดกลับมานึกถึงเสียงเรียกเมื่อตอนตีหนึ่งซึ่งฟังแล้วคุณมามันคล้ายเสียงของวิทย์ มาชวนให้ไปกินเหล้าแป้งเห็นพัดมีสีหน้ากังวลจึงพูดปลอบใจว่าวิทย์คงไม่เป็นอะไรมากให้พัดทาใจให้สบายแล้วกลับไปนอนพักผ่อนวันพรุ่งนี้ค่อยไปเยี่ยมวิทย์แต่เช้าวันรุ่งขึ้นพอพัดกับแป้งไปถึงโรงพยาบาล mm. ก็เห็นญาติญาติของพัดบางส่วนยืนรอข้างหน้าห้องคนไข้ ทุกคนมีสีหน้าเป็นกังวลบางคนมีคราบน้ำตาซึมด้วยความโศกเศร้าพัดกับแป้งยกมือไหว้ญ า, าติผู้ใหญ่แล้วขอทางเพื่อเดินเข้าไปในห้องคนไข้เพราะพัดกับแป้งเข้าไปก็เห็นวิทย์กาลังนอนไม่รู้สึกตัวมีสายระยโยงระยางเต็มตัวไปหมดแป้งเอื้อมมือไปแตะมือของวิทย์แล้วก็สะดุ n จนต้องรีบชักมือกลับ เพราะมือของวิทย์เย็นมากพัดกับแปงมองดูวิทย์ักผักก็เดินออกมาจากห้องแล้วไปคุยกับพ่อของวิทย์ท่านบอกว่าเมื่อคือนนี้ลุงฝันเห็นป้างีบแม่ของวิทย์ที่ตายไปแล้วเดือนก่อนแกจูงมือวิทย์จะเดินลงน้ำลุงก็เลยถามว่าจะจูงลูกลงไปทำไมแต่ป้างีบก็ไม่ได้ตอบอะไร แล้วลุงก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นตอนนี้ลุงก็ได้แต่ภาวนาขอให้วิทยาเป็นอะไรเลยพอพ่อของวิทย์พูดจบญาติคนอื่นๆก็เริ่มร้องไห้อีกบรรยากาศที่โรงพยาบาลเต็มไปได้วยความเศร้าจนพัดกับแปงได้เจอเก่งที่กำลังเดินเข้ามาพอดีจึงได้ถามสาเหตุที่ทำให้วิทย์มีอาการหนักอย่างนี้เก่งบอกว่า เมื่อคืนนี้ตอนที่กําลังกินเหล้ากันอยู่พี่คนหนึ่งก็ท้าพี่วิทย์ว่าถ้าพี่วิทย์ดื่มเหล้าขาวที่ตั้งไว้ตรงหน้าหมดพี่คนนั้นจะซื้อเหล้าเพิ่มให้อีกหนึ่งลังพี่วิทย์ก็รับคําท้าแกก็ดื่มไปเรื่อยๆจนถึงเที่ยงคืนพี่วิทย์ก็เริ่มอาเจียนออกมาแล้วก็ล้มฟุบไปสักพักแกก็ดิ้นทุรนทุรายเหมือนคนหายใจไม่ออกผมกับเพื่อนอีกคน เลยช่วยกันพาพีวิทย์ไปโรงพยาบาลระหว่างขับไปก็ได้ยินเสียงหมาหอนตลอดทางผมยังกลัวไม่หายเลยแป้งฟังแล้วก็นึกได้ว่าเวลานั้นก็ใกล้เคียงกับตอนที่พัดบอกว่าได้ยินเสียงคนคล้ายเสียงของวิทย์มาชวนให้ไปกินเหล้ามันทำให้แป้งสงสัยว่าวิญญาณของวิทย์อาจจะออกจากร่าง แล้วมาหาผัดโดยไม่รู้ตัวก็ได้หลังจากที่คุยกับเก่งเสร็จพัดกับแปงก็เดินลงจากตึกเพื่อไปโรงอาหารเพราะรีบออกจากบ้านกันตั้งแต่เชา้ายังไม่ได้กินอะไรเลยหลังจากซื้อของกินเสร็จพัดกับแปงก็เดินกลับไปที่ห้องคนไคก็เห็นพี่สาวของเวดวิ่งร้องไห้ไปทางห้องฉุกเฉิน พัดกับแปงจึงวิ่งตามพี่สาวของวิทย์ไปด้วยพอถามว่าร้องไห้ทําไมพี่สาวของวิทย์ก็บอกด้วยเสียงสะอื้นว่าวิทย์หัวใจหยุดเต้นตอนนี้อยู่ในห้องฉุกเฉินพอพวกเราทั้งสามไปถึงหน้าห้องฉุกเฉินก็เห็นญาติๆของวิทย์ยืนรออย่างกระวนกระวายใจเวลาผ่านไปครู่หนึ่งหมอก็เดินออกมาแล้วบอกว่า วิดจากไปอย่างสงบแล้วเสียงร้องไห้จากห ย, ยาดหยาก็ดังขึ้นในทันทีพ่อของวิดพยายามเก็บความเสียใจเอาไว้โอบไหลปลอบพี่สาวของวิด ท, ที่กำลังร้องไห้ฟูมฝ่ายพอทุกคนเริ่มสงบลงจึงปรึกษาเรื่องการเคลื่อนศพของวิดออกจากโรงพยาบาลจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับเช้าวันต่อมา หัดกับแป้งก็ไปโรงพยาบาลเพื่อส่งศพของวิทแป้งเห็นศพวิทเหมือนคนกำลังนอนหลับอย่างสงบหลังจะปิดฝาโรงแล้วก็นำขึ้นรถกระบะของมูลนิธิฮ่อของวิทนั่งอยู่ท้ายกระบะข้างๆโรงศกเพื่อโยนเหรียญตามทางเพราะเชื่อว่าจะเป็นสั ญ, ญลักษณ์ให้วิญญาณของวิทตามรถกลับไปที่บ้านเกิด ซึ่งเป็นระยะทางกว่า300กิโลเมตรพัดระยะิของวิดก็ขับรถตามไปอีกหลายคันส่วนแป้งต้องไปทำงานต่อจึงไม่ได้เดินทางไปด้วยตกเย็นพัดก็โทรหาแป้งแล้วเล่าเรื่องหน้าขนลุกให้ฟังว่าพอทุกคนเดินทางไปถึงบ้านที่ต่างจังหวัดก็จัดแจงที่ทางแล้วนอนรวมๆกันด้วยความอ่อนเพลีย สักพักญาติผู้หญิงคนหนึ่งก็สะดุ้งตื่นแล้วร้องไห้เธอพูดว่าฝันเห็นวิดมายืนที่หน้าบ้านเพื่อขอยาทาเท้าเพราะวิ่งตามรถจนเท้าเป็นแผลเพราะทุกคนได้ยินดังนั้นก็รีบไปเปิดโรงดูถึงได้รู้ว่าศพของวิดไม่ได้สวมรองเทา้ามันทำให้หลายคนกลัวไม่กล้าจะนอนที่บ้านนี้จนต้องไปหาที่พักอื่น พอใกล้วันเผาศพของวิตแป้งก็นั่งรถประจำทางเพื่อเดินทางไปบ้านของวิตเมื่อไปถึงก็ให้พาดมารับที่ชานชาลากว่าจะเดินทางไปถึงบ้านของวิตก็ประมาณตีสองกว่ า, วาแล้วแม้ว่าแป้งจะเพลียมากแต่ก็ไม่ง่วงจึงช่วยญาติของวิตเตรียมงานเพื่อนำศพของวิตไปที่วัดซึ่งจะจัดพิธีเผาศพในตอนเช้า พอถึงเวลาเผาศพก็มีแขกเรือมาร่วมงานเต็มศาลาวัดบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังจากพิธีเสร็จพัดกับแป้งก็กลับไปที่บ้านของเวทเพื่อที่จะนอนค้างอีกหนึ่งคืนแล้วจึงจะเดินทางกลับกรุงเทพในเช้าของวันถัดไปตอนเย็นของวันนั้นเองเพื่อนระยะก็ชวนพัดกับแป้งไปนั่งกินข้าว และดื่มเล่าที่ใต้ต้นไม้หน้าบ้านจนเวลาประมาณเที่ยงคืนญาติคนหนึ่งก็พูดว่าทวิตมันยังอยู่วิตก็คงมานั่งกินเหล้าอยู่ตรงนี้เหมือนกัน จ, จู่ๆแป้งก็รู้สึกเหมือนมีสายตามองลงมาจากบนต้นไม้เธอจะเงยหน้าขึ้นไปแล้วก็ต้องตกใจจนต้องรีบก้มหน้าลงมาผัดเห็นแป้งหน้าซี จึงถามว่าเป็นอะไรแป้งตอบว่าเห็นวิทย์ห้อยหัวลงมาจากบนต้นไม้ทุกคนในโตหยุดชะ ง, งักหน้าตาตื่นตกใจพัดเงยหน้าขึ้นไปอย่างช้าๆแล้วก้มลงมาหันไปบอกกับแป้งว่าไม่เห็นมีอะไรไหนมีใครเห็นอะไรไหมสักพักน้องผู้ชายคนหนึ่งก็ตะโกนว่าผมไม่เห็นพี่ ลทุกคนแตกกระเจิงวิ่งเข้าไปในบ้านญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านก็ถามว่าเป็นอะไรพวกเราจึงเล่าเรื่องให้ฟังเพราะญาติผู้ใหญ่ได้ฟังก็บอกให้ทุกคนไปไหว้พระและบอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกหลังจากไหว้พระกันเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันไปนอนเช้า ว, วันถัดมาพัดกับแป้งก็เดินทางกลับ ระหว่างทางก็คุยกันว่าวิทย์คงเห็นพวกเรากินเหล้าเลยอยากมาสังสรรค์ด้วยก็เท่านั้นเอง พัดสยอง